พระไตรปิฎกเล่มที่38พระอภิธรรมปิฎกยมกภาคหนึ่งพระอภิธรรมปิฎกเล่มที่ห้าก่อนที่ท่านทั้งหลายจะฟังพระอภิธรรมเล่มที่หนี้ใคร่ขอทําความเข้าใจกับท่านทั้งหลายว่าที่ว่าทงแสดงด้วยวิธีการยมกก็คือทงแสดงเป็นคู่คู่นั้นหมายถึงทงแสดงแบบอนุโรมคือตามลําดับหรือคลอยตาม และแบบปฏิโรมคือทวนลำดับหรือย้อนกลับสลับกันเป็นคู่คู่แต่และคู่ประกอบด้วย 1. อนุโรมปุจฉ้าคือคําถามอนุโรมแต่วิสัชนาคือคําตอบ 2. ปฏิโรมปุจฉ้าคือคําถามแบบปฏิโรมแต่วิสัชนาคําตอบพระอภิธรรมปีดกยมกภาคหนึ่ง ขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นหนึ่งมูลยะมก 1. มูลวานุเทศหนึ่งกุศลบทนัยจตุกะ 1. สภาวธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งที่เป็นกุศลสภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดเป็นกุศลมูลใช่ไหม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 3. สภาวธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งมีมูลอย่างเดียวกันกับกุศลมูลสภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดมีมูลอาศัยกันและกันกับกุศลมูลใช่ไหมสภาวธรรมเหล่าใดมีมูลอาศัยกันและกันกับกุศลมูลสภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดเป็นกุศ ล, ลใช่ไหมฟังข้อ52 สสภาวธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งที่เป็นกุศลสภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดมีมูลที่เป็นกุศลลมูลใช่ไหมสภาวธรรมเหล่าใดมีมูลที่เป็นกุศลมูลสภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดเป็นกุศลใช่ไหมฟังข้อ53 5. สภาวธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งที่เป็นกุศลสภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดมีมูลที่เป็นมูลอย่างเดียวกันกับกุศลมูลใช่ไหม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 ส อ, อกุศโรบทในยถาจตุจจกะ 13. สภาวธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งที่เป็นอกุศลสภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดเป็นอกุศโรมูลใช่ไหมสภาวธรรมเหล่าใดเป็นอกุศโรมูลสภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดเป็นอกุศลใช่ไหมฟังข้อ62 14. สภาวธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งที่เป็นอกุศลสภาวธรรมเรมหล่านั้นทั้งหมด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 สภาวธรรมเหล่าใดมีมูลอาศัยกันและการกับอกุศุลมูลสภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดเป็นอกุศุลใช่ไหมฟังข้อ6416สภาวธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งที่เป็นอกุศลสภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดมีมูลที่เป็นอกุศุลมูลใช่ไหมสภาวธรรมเหล่าใดมีมูลที่เป็นอกุศุลมูลสภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดเป็นอกุศลใช่ไหมฟังข้อ65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 สภาวธรรมเหล่าใดมีมูลอย่างเดียวกันกับอกุศรมูลสภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดเป็นอกุศนใช่ไหมฟังข้อ69 21สสภาวธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งมีมูลอย่างเดียวกันกับอกุศรมูลสภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดมีมูลอาศัยกันและกันกับอกุศรมูลใช่ไหมสภาวธรรมเหล่าใดมีมูลอาศัยกันและกันกับอกุศรมูล สภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดเป็นอกุศลใช่ไหมฟังข้อ70 22. สภาวธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งที่เป็นอกุศลสภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดมีมูลที่เป็นอกุศลมูลใช่ไหมสภาวธรรมเหล่าใดมีมูลที่เป็นอกุศลมูลสภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดเป็นอกุศลใช่ไหมฟังข้อ7จอ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 สภาวธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งที่เป็นอัพยากฤิตสภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดเป็นอัพยากรรมูลใช่ไหมสภาวธรรมเหล่าใดเป็นอัพยากรรมูลสภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดเป็นอัพยากฤิตใช่ไหมฟังข้อเจ็ดสภาวธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งที่เป็นอัพยากฤตสภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมด มีมูลอย่างเดียวกันกับอัพยกตมูลใช่ไหมสภาวธรรมเหล่าใดมีมูลอย่างเดียวกันกับอัพยกตมูลสภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดเป็นอัพยกฤิใช่ไหมฟังข้อเจ็ดสิบห้ายี่สิบเจ็ดสภาวธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งมีมูลอย่างเดียวกันกับอัพยกตมูลสภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดมีมูลอาศัยกันและกันกับ อัพยากตามูลใช่ไหมสภาวธรรมเหล่าใดมีมูลอาศัยกันและกันกับอัพยากตามูลสภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดเป็นอัพยากฤิใช่ไหมฟังข้อเจ็ดสิบหกสภาวธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งเป็นอัพยากฤิสภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดมีมูลที่เป็นอัพยากตามูลใช่ไหม สภาวธรรมเหล่าใดมีมูลที่เป็นอัพยากตมูลสภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดเป็นอภยากฤกรใช่ไหมฟังข้อเจ็ดสิเกสภาวธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งที่เป็นอภยากฤรสภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดมีมูลที่เป็นมูลอย่างเดียวกันกับอัพยากตมูลใช่ไหมสภาวธรรมเหล่าใดมีมูล ที่เป็นมูลอย่างเดียวกันกับอัพยากตามูลสภาวธรม ch, Ryan, มวธรมเ ห, เหล่านั้นทั้งหมดเป็นอัพยกฤิใช่ไหมฟังข้อ78็0สภาวธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งมีมูลที่เป็นมูลอย่างเดียวกันกับอัพยกตมูลสภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดมีมูลที่เป็นมูลอาศัยกันและกันกับอัพยากตามูลใช่ไหม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 สภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดเป็นอ <knowledge> ัพยากฤตใช่ไหมฟังข้อ80 32สภาวธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งที่เป็นอัพยากฤตสภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดมีมูลอย่างเดียวกันกับอัพยากตมูลใช่ไหมสภาวธรรมเหล่าใดมีมูลอย่างเดียวกันกับอัพยากตมูลสภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดเป็นอัพยากฤตใช่ไหมฟังข้อ81 สาสภาวธรรมเหล่าใดเหล่าหนึง่งมีมูลอย่างเดียวกันกับอัพยากตมูลสภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดมีมูลอาศัยกันและกันกับอัพยากตมูลใช่ไหมสภาวธรรมเหล่าใดมีมูลอาศัยกันและกันกับอัพยากตมูลสภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดเป็นอัพยกฤิใช่ไหมฟังข้อ82 34. สภาวธรรมเหล่าใดเหล่าหนึง่งเป็นอัพยกฤิ สภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดมีมูลเป็นอัพยากตามูลใช่ไหมสภาวธรรมเหล่าใดมีมูลที่เป็นอัพยากตมูลสภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดเป็นอัพยากฤษใช่ไหมฟังข้อ83 3สสภาวธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งที่เป็นอัพยากฤษสภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดมีมูลที่เป็นมูลอย่างเดียวกันกับอัพยากตามูลใช่ไหม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 สภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดเป็นนามใช่ไหมฟังข้อ86 38สภาวธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งเป็นนามสภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดมีมูลอย่างเดียวกันกับนามมูลใช่ไหมสภาวธรรมเหล่าใดมีมูลอย่างเดียวกันกับนามมูลสภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดเป็นนามใช่ไหมฟังข้อ87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 มีมูลที่เป็นนามูลใช่ไหมสภาวธรรมเหล่าใดมีมูลเป็นนามูลสภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดเป็นนามใช่ไหมฟังข้อ89 4ตีสอสภาวธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งเป็นนามสภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดมีมูลที่เป็นมูลอย่างเดียวกันกับนามูลใช่ไหมสภาวธรรมเหล่าใดมีมูลที่เป็นมูลอย่างเดียวกันกับนามูล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 สี่สิสภาวธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งที ideology, ่เป <Burn> ็นนามสภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดมีมูลที่เป็นนามใช่ไหมสภาวธรรมเหล่าใดมีมูลที่เป็นนามสภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดเป็นนามใช่ไหมฟังข้อ92 44. สสภาวธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งที่เป็นนามสภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดมีมูลอย่างเดียวกันกับนามมูลใช่ไหม สภาวธรรมเหล่าใดมีมูลอย่างเดียวกันกับนามูลสภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดเป็นนามใช่ไหมฟังข้อ93 45. สภาวธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งมีมูลอย่างเดียวกันกับนามูลสภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดมีมูลอาศัยกันและกันกับนามูลใช่ไหมสภาวธรรมเหล่าใดมีมูลอาศัยกันและกันกับนามูล สภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดเป็นนามใช่ไหมฟังข้อ94้าสี่สี่สภาวธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งที่เป็นนามสภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดมีมูลที่เป็นนามมูลใช่ไหมสภาวธรรมเหล่าใดมีมูลที่เป็นนามมูลสภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดเป็นนามใช่ไหมฟังข้อเก้าหสี่สิบเจ็สภาวธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งที่เป็นนาม สภาวธร hai, ร, ร, ร, terrace, เร er, masa, มเหล่ er, town, ues, attorney, น rage, านั้ น, นทั้งหมดมีมูลที่เป็นมูลอย่างเดียวกันก ну. ับนามูลใช่ไหมสภาวธรรมเหล่าใดมีมูลที่เป็นมูลอย่างเดียวกับนามูลสภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดเป็นนามใช่ไหมฟังข้อ96 48สสภาวธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งมีมูลที่เป็นมูลอย่างเดียวกันกับนามูล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 สีสภาวธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งที่เป็นกุศลสภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดเป็นกุศลเหตุใช่ไหมเป็นกุศลนิทานเป็นกุศลสมภพเป็นกุศลประพบเป็นกุศลสมุทฐานเป็นกุศลอาหารเป็นกุศลอารมณ์เป็นกุศลปัจจัยเป็นกุศลสมุทัยฟังข้อ98 มูลเหตุนิทานสมภพประภพสมุทฐานอาหารอารมณ์ปัจจัยและสมุทไทยมีด้วยประการชนีอุเทศวารจบ